ออกมาดูนี่มีโอกาสถ้าอยู่เราไม่มีโอกาสเราจะแยกตรงนี้ให้ดีแล้วเห็นมันเกิดเปิดธนาก็พุทธเจ้าบอกว่าออกจิงใจโลกเปทนาก็จักว่าเปินาไม่ใช่สัตว์ปลุกคนตัวโตเล้าเขาทัชเหลเกิดแต่เราไปโอยปวดขาโอยง่วงนอนอาโอ้ยเราหมดเนื้อหมดตัวแล้วถ้าเห็นหรอั้ เขาว่าเห็นแล้วก็อึเขาว่าอึเลยตุ๊บชัดต็มเยดึงนึกหัวมันก็คนเห็นกันเลยยึกหัวจกการแสดงเข้าเยนึกหัวเขาว่าอเลยติดเดียวลัดมือเดียวถ้าเป็นการแก้ปัญหาก็ไปแล้วยหลุดแต่ถ้าโอ้ยคืหลุดถ้าจมูกตั้งง่วงให้แนวล้วนให้แนวร่วมหลับตาตีแล้วไปขออ่อนมืออ่อนอันนมดี ไม่ยอมอาา้ปม า, ออาปากให้มันจะหาวไม่ยองอ้าปากให้มันง้ําปากไว้ให้ลมมันออกหูนุนรู้สักทันทีได้ประโยชน์มากอาจจะตื่นกว่าทุกเวลาเวลาอะไรที่มันมง่วงอาจจะเป็นเวลาที่ตื่นที่ดีที่สุดเวลาอะไรที่มันหลงอาจจะเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดตรงนี้แยกให้เป็นการแยกได้ตรงนี้ไปนะั่งสบายใดกี่ใดไม่ติดเหมือนกับทางที่ ทางด่วนไปเบริเลยไม่ติดเลยออกมาดูมันว่าง เ, าเห็นมันยถ้าเห็นลราก็ขี้ลงไปแล้วค ว, ลความโปวดความหงวยความคิดอะไรต่างๆถ้าเราไม่ปฏิดูหรอกโอ้ยมีความหลุดอยู่ในตัวถ้าเราเป็นผู้ดูหลอกความพ้นความหลดุดความพ้นก็อยู่ตรงนั้ น, านการปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นการผ่านไปก็อยู่ตรงนั้น นวิธีปฏิบัติเทตรหลักของการเจริญกะติกสิ่งที่ผิดหลวงพ่อไม่พูดไม่มากให้พวกเราได้เสียเวลานห่แต่หลวงพ่อทีมานั่งพูดอยู่นี่เขาไม่เสีย จ, จำมาพูดไม่ด้เป็นใหนอหในไเสียสิ่งที่ผิดมีมากพูดตลอดวันไม่ไม่ดางกดาษไงม่ลงเ ล, งลง่าเทาตอนเช้าแต่หลวงพ่อไม่บอกผม ผ, มผมิดอาจจะมีมากขนาด แต่อนผูกนี่สยามที่จะพูดลำดับออกจากการเดินทางมาจะแท่ประสบการมาด้วยตรวี่นีของตัวจึงมีความกล้าไม่กลัววามที่ไปสอนตางประเทศนะแล้วหน้าโคมใ จ, ใจมที่เราไปพูดรักลงเขาจะมาขยี้เราประมาณตัหกเจคน เขาก็นั่งอยู่ในห้องโหงมันหนาวนะพอใบยืนอยู่ประตูมาถามคนที่นั่งอยู่ใกล้ประตูกว่าขอสัมภาษณ์ได้ไหมเขามาสอนอะไรเขามาทําอะไรที่นี่เกมีคนคนหลั่งบางกันเขาก็มาบอกว่าในคนที่ใบยดินอย่างเขา อ, อยากสัมภาษณ์กับหลวงพ่อพ่อก็บอกเขาเข้ามาได้เลยมาแล้วพ่อก็นั่งจ้งจังหวะเยินปิดขวาผนั้นเขาก็มาเดินแล้วมาทำเอง คุณมาทำอะไรที่นี่คนรู้อะไรมัแล้วพ่อก็บอกเขานั่งหลงบอกเขานั่งหลงเขาก็นั่งหลงที่มันนั่งทั้งหมดหกเ็คนนั่งหลงนั่งหลงนั่งลงพอได้ตอบว่าอาตมาลู้ตัวเองคนลุ้นตัเองก็ลุ้อย่างนี้อาตมาก็ไม่ต้องพูดเลยเอาคุณเอาเมือวางไว้บนเสาเรียกมาเส้นโลกรยกมาเส้นโูก เพื่อนหย น, นี่ให้เขาตกันสองสองรอบนี่อาตมาผู้ใ่รู้ตัวเองคุณเคยรู้อย่างนี้ไหมโนโน่โน่ภาษาจีนว่าอเวอเวเวชาเซ่ไหมเอามาเท่เอเวอเวอเวอเวอเวลู่รู้อ่ะเออเอาไปทำไป คนเคยรู้อย่างนี้บ้างไหมเขาบอกว่าไม่เคยรู้แล้วองคนจะทนรองไหถ้าคนรู้อย่างนี้หนึ่งวันคนเคยรู้ไม่เคยชั่วโมงหนึ่งเคยไหมไม่เคยนี่จะพิสูจน์นะถ้าคนไม่เคยเนี่ยคนไปถึงโลกวิญญาณแล้วคนไม่รู้ตัวเองคนในไปโลกวิญญาณมัวจะ่ไปข้างนอกอยู่ศาสนาทั้งหลายจึงไม่เกิดอยู่ อ, อยุโรปในฝรั่ สาธาทั้งหลายเกิดอยู่ที่เอเชียงพราะพวกวคนลืนตัวกันคนจะพิสูจน์นะต้องพิสูจนะ์ามารับรองเขาก็บอกว่าเขาจะบมือจับทาไมเขาบอกว่าเ ข, า, า, ขาได้พบกับบุคคลที่เขาคิดอยาจะพบเพราะอะไรเขาจัาไหะจับเขาจัเขาบอกว่ า, า, า, า, วาพวกนี้จะพาพ่อมาคนจะอยู่นี่ไหมยอยู่เราอยู่ได้อีกชี่วันอยพวกนี้ เราจะพาพ่อมามาจริงๆเอารถมาแล้วก็เอากล้วยมาให้พ่อนั่งด้วย พ, พ่อเขาเป็นคนเดียวด้วยเราะนั่งเาสามารถจับเหมือนกับเราไม่เป็นเลยสมาหนั่งก๋วยจั๊กก็นั่นความจริงไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะมีการผิดพลาดแต่อย่าไปทําด้วยคนาอย่างนะี้ถ้าอยากก็ได้เลยทีเดียวจะได้เป็นผู้ดีผิดเรามาทางผิดเหมือนกับคนที่หิวอะไรอยู่หลงอะไรอยู่ เขายื่นมาให้ก็เอาไปดูบางคนคหิวบุนที่ไม่เคยด้จัตบอุญเพราว่าเออทำบุญทางนี้จะได้บุญน้นเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนรู้อบุญหรอเขาพูดเลยก็โลูกเพราะฉะนั้นทุ่ทมีเจริญสติเบ็ดดี้เป็นเรื่องที่รีบด่วนการรีบด่วนก็มีการติดขัดบ้างแต่ถ้าเราไม่จัดเจริ ใ่การดหลายสมไมศูนย์เก้าศูนย์สินี่คนล่องโหมล่องให้หลงไปก็นีพอมันเอากันจริงๆทำกันจริงๆแต่เกียนก็หลงไปว่ะแต่ไม่เสียหายจะไปกลัวถ้าหลวงพอ่อจันลั น, ลลน ห, หลวงพ่อหลวงพ่ออาจารย์มหาไหลหรือหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่เป็นีิพพานายากรเคยโชคโท่มา สบายใจได้เลยเท่าไหร่ไม่ต้องตรวเพราะนั้นความรีดต่วนเลยต้องให้จัดเกนบดงที่หลวงพ่อได้สอนให้เป็นผู้ดูดูมันเลยพนาเกิดขึ้นก็เห็นมันคิดก็เห็นมันคิดมันหลงมันสุกมันทุกข์มันอิดอัดขาดเครื่องมันง่วงเมาหอนอนตู้มแล้วเข้าไปเป็นในร่วมกับมันง่า ทีเดียวที่ออกมาดูให้ออกมากระโดดออกมาจะเข้าไปให้แนวร่วมกับมันแต่มันง่วงเือี่ยนอารมณ์ให้เป็นให้วที่สุดอหญ่ช้าจ้างคนต้องไปนั่งอ่อนข้อให้มันหลับตาตีเส้ไม่เดีก่อนมันจะได้ท่าเถ้าไมันได้ท่าตู้ไม่ใสจะไปยกเงื่อนตั้งเท่าไรตู้ไม่ใสเพราะถ้ามันเข้าถึงที่ เราไม่พัดเกียนเาจะเฉี่ยราวกับตรงนี้อ่านเฉี่ยราวกับกอง้องไม่ใช่เรืเ่องเล็กน้อยเป็นปีก็มีบางคนแต่เราจัดเปลียนตั้งแต่ที่เริ่มเขียวเลยชนะอย่างงดงามไม่จเาเป็นต้องไปนั่งงวงแต่ถ้าจะนอนก็นหลับ ข, ของหมู่นี้มันมันเปี่ยนได้เปลี่ยนได้ทัท้งีถ้าทาแบบของพ่า ขวานวงปะปะสลัดขึ้นเลยื่นเช้ยวมาไม่รู้ที่จะนั่งอยู่ขวานว่างทำท่าวัดเดียงกันดูสักหน่อยเลยเป็นท่าไรลุกขึ้นห้องท่องฟ้าดูโตนไม่ดูชิดชูทางเออวันนี้เป็นกลางวันกลางวันไม่ใช่เวลานอนกลางวันเป็นเวลาทํางานเอาเดินไปสักหน่อยทำหนอนทำนี่เตียวมากําหนดคนได้ถูกต้องขนาด ต้องรู้จักเอาชนะตนเองไม่ใช่แพ้ตลอดเวลาปลาไหลไทยปลาไหลชิดคือปลาไหลไทยชี้ไพ่แพ้ตลอดเวลาไม่มีโอกาสถึงมาถึงผลได้รู้จักเอาชนะตวทุกทุกทิศทุกทางยืนหยัดในความรู้สึกตัวเข้าหาความรู้สึกตัวให้คล่องที่สุดอย่าไปอิงอะไรอย่างอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นความรู้สึกตัวนี่คือ เปญนระยธรรมกับเราไม่เิดการเสียหายถ้าหนีไปจากความรู้สึกตัวเราอาจจะผิดพลาดต้นท่นนาไปถ้าหลวงพ่อพูดต่อนี้ก็พูดในเรื่องที่เราคงเขา้าใจวันนี้จะมีถึงละต้องมพูดมากอ่ะเราจะต้องพูดกันในทั้งวันทุวันเห็นว่าสมควรเปเวลา เขาจบค่อยะเปลนเขานี